อยากบรรลุพระโสดาบันไหมเดี๋ยวบอกวิธีให้เลยเอาไหมเอาไหมเอาเหรอเอาจิตเนี่ยมาดูที่ร่างกายเรานั่งอยู่ยังไงรู้สึกไหมรู้สึกใช่ไหมรู้สึกว่านั่งอยู่ใช่ไหมนั่งอยู่ทีนี้ก็สอนสอนจิตว่าร่างกายเนี่ยถ้าสุวะตายลงไป ถ้ามันตายเดี๋ยวนี้ส่วนมันตายลงเดี๋ยวนี้ทิ้งเอาไว้มันก็จะเน่าเหม็นเน่าเหม็นเพราะฉะนั้นเขาจะต้องนําไปเผาเผาไฟเผาเสร็จแล้วไฟก็ไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้เาผาผานส่วนนั้นส่วนนี้เคยไปดูเขาเผาศพในป่าชา้าในชนบทเขาจะเอาฟืนมากรองเอาไว้ แล้วก็เอาคนตายขึ้นไปวางเอาไว้เสร็จแล้วเขาก็เผาจุดไฟเผาร่างกายของเราเนี่ยพอมันโดนความร้อนน้ำมันจะเกิดน้ำไหลออกมาหกไหลลงไปกระทบไฟมันก็ชูชช่ชาชู่ชาชู่ชสุดท้ายมันก็ไหมลงไปไหมลงไปค่อยๆไหมลงไปสุดท้ายก็เหลือแต่ ที่เท่ากับกองกระดูกเช้ามาเขาจะไปเขาก็จะไปเก็บกระดูกมีแสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยสุดท้ายมันก็คือที่เท่ากับกระดูกแสดงว่าร่างกายอันเนี้มันไม่ใช่เราสุดท้ายมันกลายเป็นดินมันคือธาตุดินมันคือดินแสดงว่าในตัวเรานี้มันมีธาตุดินอยู่ ธาตุดินเนี่ยมันเป็นส่วนที่มันแทนที่ในอากาศได้แล้วลักษณะของมันคือแข็งแข็งมันแข็งถ้ามันแข็งน้อยก็อ่อนบางทีมันจึงมีอ่อนมีแข็งอันนี้เป็นลักษณะของธาตุดินมันแทนที่ในอากาศได้แทนที่ในความว่างได้แล้วในธาตุดินนี้มันก็จะมีธาตุน้ำธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟอยู่ด้วยเพราะนั้นเราจึงร้อนร้อนขึ้นมานี่คือธาตุไฟ มันเคลื่อนไหวหรือลมหายใจพวกนี้ก็เป็นาธาตุลมของเหลวทั้งหมดก็คือาธาตุน้ําแต่ในาธาตุน้ําก็มีดินน้ําลมไฟอยู่ด้วยในาธาตุลมมันก็จะมีดินน้ําลมไฟอยู่ด้วยแต่มันน้อยมากมากน้อยมากๆ ม, มันผสมผสานกันอยู่นี่แหละสิ่งที่ประกอบเป็นเราเนี่ยมันก็แค่าธาตุดินน้ําลมไฟมันไม่ได้มีอะไรเลยอะนี่ทีนี้จิตของเราเนี่ยมันไปหลง ไปหลงยึดร่างกายเพะฉะนั้นถ้าใครสามารถเอาจิตมาสัมผัสดูที่กายได้แล้วก็มันเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระเจ้าก็คือเอาความจริงเอาความจริงมาสอนจิตอย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านตัดเลยว่าชีวิตของคนเราเริ่มต้นก็คืออาศัยเชื้อของพ่อกับไข่ของแม่ผสมกันอันนี้พูะเจ้าเป็นคนตัดเองเลยนะ แต่ความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่มาตรสเราก็จะไม่รู้ความรู้ของเราเนี่ยมันไม่เฉสียวใจหรอกไม่ฉุกคิดแต่พระพุทธเจ้าเอามาตร์เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเริ่มต้นมันก็ไม่ได้มีเราเลยเนาะแค่ว่าเอาธาตุพ่อธาตุแม่มาผสมกันนิดเดียวเองเป็นจุดเล็กๆด้วยมองด้วยตาเปล่าก็ไม่เห็นต้องส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศ โอ้ความหลงของเรานี่มันยิ่งใหญ่เหลือเกินอ่าแล้วอะไรที่นั่งอยู่นี้ล่ะก็มันมีเหตุปัจจัยมันก็เลยเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าพอผสมกันแล้วมันอาศัยอาหารเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็คลอดออกมาคลอดออกม า, มาก็ใส่อาหารอีกก็คือดินน้ําลมไฟในอาหารเข้ามาหล่อเลี้ยงกับเจริญเติบโตขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามันเจริญเติบโตของมันเองสุดท้ายมันก็ต้องแก่ลงไปแก่ลงไปเนี่ยถึงวาระของมัน นี่ก็คือเหตุปัจจัยไม่ใช่ว่าเราไปปรุงแต่งเราไปสร้างมันขึ้นมาเนี่ยพอเรามาทําความเข้าใจอย่างเนี้ความลึกซึ้งมันจะมีเพราะว่าเรากําลังทําสติกําลังทําจิตของเราให้นิ่งให้สงบเพื่อที่จะรับเอาความจริงเข้าไปหาใจเราตอนนี้เรายังสอนเราไม่ได้เราก็เพิ่งทําสอนของพระพุทธเจ้าให้มันซึมเข้าไปในจิตใจของเราให้ใจของเราตะหนักยอมรับความจริงขึ้นมา พาใจมันยอมรับความจริงขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้สึกเมื่อมันมองดูร่างกายแล้วก็มันก็จะห่างๆอ่ะเหมือนกับมันมองห่างๆอ่ะมองแบบคนรู้แล้วแบบรู้แล้วว่าเออมันชั่วคราวเย้ยนั่นเนี่ยมันอาศัยอาหารเลี้ยงพอถึงวานละถึงเวลาใดเวลาหนึ่งมันก็จะต้องจากโลกนี้ไปมันจะต้องหมดอายุขัยมันต้องเสื่อมสิ้นสลายไปหรือถึงวานละของมันมันต้องแตกดับสลายไปนี่แสดงว่าเรากําลังอยู่กับของที่มันชั่วคราวเย้ย ของที่มันไม่ใช่เราอ่ะแม้แต่ดูสิอำนาจองความหลงนี่มันช่งยิ่งใหญ่เหลือเกินอ่ะความจริงอันนี้มันไม่ได้ปรากฏเข้าไปหาจิตเราเลยอ่ะเราได้ยินขนาดไหนมันก็เฉยอ่ะตัวจิตเนี่ยนี่แหละคือตัวจิตเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราด้วยมันเป็นตัวหลงมันเป็นตัวหลงเพราะมันมีความหลงซ่อนอยู่มันมีอวิชชาซ่อนอยู่เราจาเป็นจะต้องทาจิตของเราให้แน่แน่ขึ้นมาเพื่อให้มันวางอารมณ์ข้างนอก มาให้อารมณ์อื่นมาดึงดูดจิตเราไปให้จิตของเรานี่น้อมเข้ามาพอน้อมเข้ามาแล้วเราก็ต้องสอนจิตของเราสอนจิตของเราทีนี้เราได้ฟังอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเหมือนกับฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอะ่ะเพราะที่เราพูดกันนี้คือความจริงพระพุทธเจ้าท่านก็เอาความจริงพระองค์ตรัสรู้ก็ตรัสรู้ความจริงแล้วก็เอาความจริงนั้นน่ะมาสอนมาสอนที่นี้คนที่จะฟังแล้วมันลึกซึ้งเข้าไปถึงใจ ใจของเรานั ps, asi, body, hot, exist, ้นต้องมีสติมีสมาธิต้องมีภาวะที่มันเหมาะสมที่จะรับเอาธรรมะเข้าไปสู่ใจถ้าหากว่ามันไม่มีสติไม่มีสมาธิมันรับเอาธรรมะเข้าไปไม่ได้เพราะมันมีอารมณ์อื่นๆมากั้นเอาไว้อารมณ์อื่นมากั้นเอาไว้ก็เพราะว่าเรามีความหลงนั่นเองเราก็ไปหลงเอาเรื่องนั้นมาเอาเรื่องนี้มาเอาเรื่องคนนั้นคนนี้เอาเรื่องสัตว์สิ่งของเอาเหตุการณ์อันนูนอันนี้เข้ามามันก็เลยมากั้นมาขวางรม เพันวันนี้เราก็เลยลองทําสติเข้ามาแล้วเอาจิตเข้ามาเลยรัดสั้นเลยแล้วก็เอาจิตมาพยายามมองดูร่างกายเนี่ยมองดูแล้วเนี่ยถ้าหากว่าจิตของเรามันจดจ่ออยู่กับธรรมะจิตของเรามันจะเริ่มมีสมาธิขึ้นมาพอมีสมาธิแล้วจิตของเราเนี่ยมันก็จะเริ่มรู้สึกขึ้นมาได้ว่าเออจิตเป็นอันหนึ่งนะเนี่ยกายเป็นอันหนึ่งนะเนี่ ย, ย, ล ย, ลยแล้วทีนี้มันก็จะลึกซึ้งเข้าไปอยู่ว่าเออกายมันไม่ใช่ของเราจริงๆเลยนะเนี่ย หรือบางทีมันก็เหมือนกับว่าจิตก็ลังมองดูล่างกายอยู่จิตก็เป็นอันหนึ่งกายก็เป็นอันหนึ่งกายนี่ก็เป็นเหมือนที่อยู่อาศัยของจิตเท่านั้นเองแล้วขณะที่เราดูอยู่นี่จิตมันก็กําลังดูกายกายเป็นที่อาศัยของจิตหรือเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องดูของจิตเป็นที่เพ่งเล็งของจิตแล้วกายนี่มันรู้อารมณ์ไม่ได้รู้อะไรไม่ได้เลยถ้าเราไม่ทาความเข้าใจอย่างนี้นะเวลาเราเจ็บขึ้นมาเนี่ย กายมันเจ็บแต่เราก็คิดว่าเราเจ็บเราเจ็บก็เหมือนเจ็บไปทั้งกายทั้งใจไปเลยอ่ะทั้งหมดเลยเหมือนเราเจ็บไปเลยอ่ะเราไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าเจ็บนี่อันที่จริงเป็นเรื่องร่างกายจิตนะมันเจ็บไม่เป็นแต่ว่ามันไปรับมันไปรู้อารมณ์เจ็บพร้อมไปรู้อารมณ์เจ็บนี่มันก็เลยไปเสวยไปเสวยเข้ามาไปเสวยคือไปกินเอามากินเข้ามาอินเข้ามาไปเอาเวทนาทางนอกเวทนาของร่างกาย เข้ามาเป็นเวทนาของจิตจิตก็เลยไม่พอใจขึ้นมาเวลาเราเจ็บนี่จะเห็นว่าจิตมันจะรู้สึกมันฮึดฮัดขึ้นมาหรือว่ามันอยากขยับมันอยากเลิกมันอยากหนีจากความเจ็บความปวดเหล่านั้นซึ่งเราก็ห้ามมันไม่ได้เพราะมันเป็นปฏิกิริยาของจิตนี่แหละจิตของเรานี่มันคอยรับอารมณ์ทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาถ้าว่าเราสังเกตทีนี้เราพยายามให้จิตของเราเนี่ย เป็นอิสระจากอารมณ์ทั้งหลายให้จิตเราอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆทีนี้พออะไรมันแวบเข้ามาที่จิตเราเราจะรู้สึกขึ้นมาได้ว่าแวบบจิตเรารู้สึกยังไงก็เห็นด้วยเออมันรู้สึกระคายเครืองรู้สึกไม่สบายรู้สึกเป็นทุกข์ไงทุกข์ขึ้นมาแล้วมันก็อยากให้สมอยากอยกให้ได้ดั่งใจเราเห็นหมดเลยอาการพวกเนี้ยเห็นมันเกิดเห็นมันดับเห็นมันไม่มีอะไรเลยความคิดก็ห้ามไม่ได้ก็ปรุงแต่งนู่นนี่นั่นขึ้นมาเราก็เห็นมันเกิดมันดับ แต่ทีนี้มันก็มีหลักการอยู่ว่าบางเรื่องราวที่เราเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเราบางเรื่องสมควรทำสมควรเกี่ยวข้องยังไงมันก็มีอยู่เพราะคนเรายังมีชีวิตอยู่ยังต้องเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันอยู่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกเราก็จำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องสิ่งทั้งหลายในโลกบ้างตามความเหมาะสมตามความสมควรแก่ฐานะของเรานั่นเอง มันก็เกี่ยวข้องกันไปแต่ข้างในของเราเนี่ยให้มันมีสติคอยรู้ตัวอยู่คอยรู้ตัวอยู่เราพยายามที่จะโฟกัสเอาจิตของเราเข้ามามองดูร่างกายเสร็จแล้วเราก็ทําความเข้าใจว่าเออร่างกายอันเนี้ยแท้จริงแล้วนี่มันเป็นของชั่วคราวจริงๆเลยทุกคนก็รู้ว่าต้องตายอะ่ะแล้วถ้าหากว่าเราทําความเข้าใจแล้วทุกคนก็รู้ว่าตอนเกิดมาเนี่ยมันไม่ได้มีเราเลยมันมีแต่ความว่างเปล่า จากนั้นก็อาศัยเหตุปัจจัยคือเชื้อของพ่อไข่ของแม่มาผสมกันเข้าแล้วก็จเจริญเติบโตอยู่ในท้องก่อนจากนั้นก็คลอดออกมาข้อออกมาแล้วก็จเจริญเติบโตขึ้นด้วยอาหารด้วยอาหารต้องมีอาหารหล่อเลี้ยงมันถึงจะอยู่ได้สุดท้ายมันก็ต้องแก่ลงไปแก่ลงไปแล้วก็ตายไปอันนี้มันเป็นธรรมชาติของร่างกายเราไปบังคับบัญชามันไม่ได้ ทีนี้ในระหว่างที่มันมีชีวิตอยู่นอกจากมันแก่แล้วมันก็มีเจ็บโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดมาปั๊บเนี่ยถ้าหากว่าเรามีลูกมีอะไรต้องสอนเขาให้รู้สอนให้เขารู้ตรงนี้ให้เขาทําใจให้ได้ว่าเออลูกเอ้ยเนี่ยไอ้ร่างกายอันนี้อ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีความแก่นะมีความเจ็บนะสุดท้ายมันต้องตายนะอย่าไปกลัวมันนะอย่าไปหวั่นไหวมันนะให้ยอมรับมันเลยว่ามันต้องเป็นแน่ เพราะเวลาเจ็บขึ้นมามันจะไม่ต้องไปทุกข์เวลาแก่ขึ้นมาก็ไม่ต้องทุกข์แต่สมควรทำยังไงก็ทำหมายว่ามันเจ็บมันป่วยมันไข้ก็สมควรไปหาหมอก็ไปแต่ว่าใจที่ยอมรับนี่มันไม่เอามาทุกข์เป็นความทุกข์ของใจให้มันป่วยแต่ร่างกายแต่ไม่มาป่วยที่ใจอันนี้มันจะมีประโยชน์ถ้าเราทำความเข้าใจให้มันลึกซึ้งนะมันต้องลึกซึ้งด้วยนะถ้าหาว่าลำพังเราจะมาสอนกันแล้วก็ ใจมันยังไม่มีสติไม่มีสมาธิอ่ะมันก็ไม่ลึกซึ้งอ่ะพอไม่ลึกซึ้งมันก็ไม่เข้าไปหาใจใจที่มันหลงอยู่นี่มันจําเป็นจะต้องลึกซึ้งนั่นก็คือจิตใจของเรามันต้องมีสมาธิมีสมาธิก็คือมันนิ่งอ่ะมันนิ่งมันอยู่มันอยู่กลับเข้ามาอยู่ข้างในมันไม่ไหลออกไปข้างนอกอารมณ์ข้างนอกมันดับไปเพราะนั้นเวลาสอนนี่เราจึงสอนด้วยการที่มาเจริญสติ เพื่อให้ใจเรามีสมาธิไม่งั้นมันจะไม่รู้สึกไม่รู้สึกตระหนักถึงความจริงเกี่ยวกับกายโดยเฉพาะตัวจิตเนี่ยมันยิ่งเป็นนามธรรมเลยนะยิ่งง่ายใหญ่เลยนะความรู้สึกต่างๆเนี่ยความทุกข์ก็ตามความสุขก็ตามอารมณ์ทั้งหลายก็ตามเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องดับหมดเลยเกิดเท่าไหร่ก็ดับเท่านั้ น, นแต่ทีนี้ที่มันไม่ดับเพราะว่า จิตของเราเนี่ยมันอยากให้ได้ดังใจพออยากให้ได้ดังใจเวลาอะไรเข้ามาแล้วมันก็อยากให้มั่นคงอยากให้เที่ยงอันไหนไม่ชอบใจก็อยากให้สลายไปพอไม่ได้ดังใจปุ๊บมันจะยึดเอาไว้เลยยึดเอาไว้ปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งเพราะมันไม่ได้ดังใจมันปรุงแต่งเพราะมันขัดใจขัดแย้งขึ้นมาในใจมันก็เลยเอาเรื่องเก่ามาปรุงแต่งซ้ําแล้วซ้ําเหล่าซ้ําแล้วซ้ํำเหล่า ถ้ามันเป็นทุกข์ก็คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคีแวกแล้วทุกข์กกแล้วทุกข์อีกทุกข์แล้วทุกข์อีกเพราะอะไรเพราะเราไม่เอาความจริงมาสอนจิตใจของเราแล้วเราสอนแบบผิวเผินอ่ะสอนแบบผิวเผินมันไม่ลึกซึ้งอ่ะพอมันไม่ลึกซึ้งมันไม่เข้าไปถึงใจใจมันก็ไม่คลายออกไม่ปล่อยไม่วางเพราะฉนั้นจําเป็นจะต้องเอาจิตเราเนี่ยเข้ามาเข้ามาถ้าหาว่าเรา บริกรรมแล้วมันลอยๆมันไม่ไปไม่มาสักทีหนึ่งเอาแบบนี้เลยลัดเลยลัดเลยเอาจิตเข้ามาเข้ามาแล้วก็สอนถ้าไม่มีคำสอนที่จะมาอธิบายให้เราฟังเราก็อาจทำมาเอาไว้หรือพูดสอนหรืออา่านหนังสือเตรียมเอาไว้ที่มันเกี่ยวกับสอนจิตเราให้รู้ว่าขันห้าไม่ใช่ของเราหรือกายกับใจนี่ไม่ใช่ของเราถ้าพูดยยอๆก็คือกายกับใจไอ้ร่างกายก็คือรูปปะขันนั่นเอง ทำไม่เรียกรูประคันและกองแห่งรูปก็มันมีมหาภูตะรูปทั้งสี่คือธาตุดินน้ำลมไฟมารวมกันแล้วก็เป็นร่างกายเหมือนคนตายเนี่ยมีคนหนึ่งนะเขาพ่อเขาปฏิบัติธรรมโอ้เก่งมากเลยพ่อเนี่ยอายุตอนนั้นขึ้นไปปฏิบัติที่วัดนี่ดูเหมือนอายุ80ิกว่าตามปกติอยู่บ้านเขาต้องนั่งชักโคกอ่ะทีนี้ตอนนั้นสมัยนั้นวัดของเรานี่มันมีชส้วมไอ้ส้วมลาดน้าไอ้ส้วมที่นั่งยองยองอ่ะ เขาก็นั่งไปนั่งแบบถ้าแบบนั่งชะโคกไปเลยคือเขานั่งไม่ได้เขาก็อดทนเอาแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมดีมากจากนั้นเขาก็กลับมากรุงเทพทุกครั้งเป็นวันสา ค, คัญสำหรับชีวิตเขาจะนิมนต์นิมนต์ไปแสดงธรรมก็ไปแสดงธรรมให้เขาฟังเขาก็ฟังแล้วก็ปฏิบัติไปเวลาเข้ากรุงเทพทีไลเนี่ยถ้าเขามีความสงสัยเขาจะมาดักรอที่สนามบิน แล้วคอยส่งอารมณ์ส่งพ่อสงสัยของเขาเขาซักถามแล้วก็ปฏิบัติเรื่อยไปต่อมาจิตของเขาก็ขยับขยับขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งมีวันหนึ่งมีวันหนึ่งลูกเขาสงสยัยพ่อเขาบอกว่าไม่มีอะไรเลยใจของพ่อนี้ไม่ได้เป็นอะไรเลยเขาพูดขึ้นมาลูกก็สงสัยว่าพ่อเป็นอะไรลูกไม่เข้าใจว่าไม่เป็นอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยอยู่งั้นพูดอยู่งั้น เขาก็เลยโทรศัพท์มาถามแล้วบอกเฮ้ยอ้นนี้สภาวะนี่มันธรรมะเขาก็เลยนิมนต์ไปนิมนต์นนไปสอบอารมณ์พ่ออายตุตอนนั้น90แล้วละพ่อเก้าสกว่าแล้วเขาก็จัดห้องให้ไปคุยกันซักไซไล่เลียงปรากฏว่าแกหลุดพ้นจริงๆเพราะลูกเขาดูแลให้พ่อปฏิบัติธรรมอย่างเดียวลูกทำเหมือนเป็นพระไปเลยจากนั้นต่อมาลูกเขาก็ปฏิบัติปฏิบัติด้วยทีนี้มีวันหนึ่งพ่อของเขาป่วยหนักละ เดจะตายแล้วลูกของเขาก็ทำจิตนิ่งๆแล้วก็สังเกต ด, ดูพ่อปรากฏว่าเห็นจิตของพ่อบอกว่าก่อนพ่อจะตายเนี่ยจิตจะวิ่งมาที่ที่หน้าก่อนนะแ ส, สดงมันอาจจะมีเวทนามีความตึงมาที่หน้าปุ๊บเข้าไปมาที่หน้าจากนั้นก็ไปดูที่ศีรษะแล้วก็ดับลงไปเขารู้ว่าพ่อของเขาดับเลยไม่ไปเกิดอีกแน่นอนเลยแล้วน้าทะลักออกมาเาว่าน้าทะลักออกมา นั่นก็คือวาระสุดท้ายมันดับพอดับปับ๊บจิต ด, ดับพับลงไปน้ําทะลออกมาลมก็ดับไปด้วยน้ําก็ทะลักออกมาด้วยที่เหลืออยู่ก็แค่ดินต่อมาน้ําที่เหลืออยู่มันก็ไหลออกมาอะไรอะไรเนี่ยแล้วก็จากนั้นก็ไปเผาเขารู้ว่าพ่อของเขาเขียนมาเองเลยบอกว่าโอ้โหการที่จิตพนเราไม่กลับไปเกิดอีกนี้แม้มันช่างโชคดีจริงๆเลยนะเพราะการเกิดนี้มันทุกข์มันทรมานปัญหารอบด้านอะไรต่ออะไรเขาบรรยายมาในจดหมายของเขา เพราะเขาเห็นพ่อของเขาว่าพ่อของเขาเนี่ยสามารถปฏิบัติธรรมได้รู้ความจริงได้รู้ความจริงได้ก็คืออย่างเนี้ยมีครั้งหนึ่งพ่อเขาก็มาเยี่ยมเราไปพักอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วเขาก็ตามไปเขาบอกว่าเขาไม่กลัวตายแล้วยะเนี้ยเขาพูดขึ้นมาเราก็เลยถามเป็นปิศนาธรรมไปว่าอะไรตายโยมคิดว่าอะไรตายจากนั้นก็ทิ้งไว้ไม่อธิบายอะไร อเขาไปคิดนะเขาไปคิดอะไรตายคนตายนี่คืออะไรอะไรตายจนกระทั่งได้สมปีต่อมามีวันหนึ่งเขาลุกขึ้นมากลางดึกประมาณตีสามเขียนเอาไว้ในข้างฝามีกระดาษเเขาเขียนติดไว้ข้างฝาว่าไม่มีอะไรตายมีแต่สังขารมันดับไปอ่าอะไรอย่างเงี้ย เ, เขาเป็นภาษาธรรมของเขาเขารู้สึกอย่างนั้นคายๆเข้ามาสังเกตนี่แหละคือเขาสังเกตความจริง สังเกตว่าหรือขันห้ามันดับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพวกสังขารอะไรมันดับไปมันไม่มีอะไรตายมันมีแต่พวกลูกกับนามนะมันหมดสภาพไปนี่เขาเรียกว่าเขาลึกซึ้งแล้วเข้าใจแล้วนี่ก็คือคนทั่วไปนี่แหละแต่ว่าเอาจิตพยายามให้จิตของตัวเองเนี่ยมาสังเกตการมาสังเกตการมีสติแล้วมาสังเกตมาทาความเข้าใจให้มันลึกซึ้งนี่ เขาเรียกว่ามีโยนิโสมนสิการอย่างเช่นฟังธรรมไปแบบนี้แล้วเราก็เอาจิตน้อมเข้ามาดูดูกายแทนที่จะฟังธรรมเฉยๆนี่เอาจิตมองดูร่างกายตัวจิตก็จะเป็นอันหนึ่งตัวจิตนี่เป็นนามธรรมาเป็นาธาตรู้มันรู้อารมณ์ได้เช่นเอาจิตมาสัมผัสรู้ที่กายได้มามองดูล่างกายได้แต่กายเนี่ยมันจะอยู่เฉยๆเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเพราะฉนั้นบางทีพระเจ้าจึงบอกว่า ไม่นานหนอกายนี้เมื่อปราศจากวิญญาณจากนอนทับบนแผ่นดินไม่ผิดอะไรกับท่อนไม้ท่อนฟืนหาประโยชน์อะไรไมิได้นั่นก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าอยากจะชี้ลงไปให้จิตของผู้ฟังเนี่ยรู้ว่าไอ้ร่างกายอันเนี้ยมันเป็นแค่เครื่องอาศัยของจิตถ้าเราจิตมันไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนะ่ะจากนั้นมันก็เสื่อมชิ่นสลายไปนะ ถ้าว่าทิ้งเอาไว้มันก็จะมีสุนัขบ้างแมวบ้างมีสัตว์อะไรต่ออะไรมาจิกมากินมากัดมากินมันมาทึา้งมาดึงมาลากไปนี่แหละคือความที่มันไม่ใช่เราอะ่ะแต่เราไม่เคยใส่ใจให้แยบคายเรามองแบบผิวเผิน่ะเราฟังธรรมะเราก็ฟังแบบผิวเผินถ้าเราลองฟังดูแล้วก็เอาจิตเข้ามามองดูไปด้วยทําความเข้าใจทําความรู้สึกว่าเออจริงนะร่างกายอันนี้ ย่งน้อยมันก็เริ่มรู้แล้วว่ากายกับจิตไม่ใช่ันเดียวกันเพราะจิตนี่กําลังมองดูอยู่เอาจิตมาทําความรู้สึกที่กายอยู่ยิ่งถ้ามันเวทนามันก็ยิ่งสบายเพราะว่าเวทนามันชัดเจนตัวเวทนาเป็นอันหนึ่งตัวจิตเป็นอันหนึ่งกายเป็นอันหนึ่งมันก็แยกกันก็เห็นว่าเวทนาอันนี้ยแต่ก่อนมันยังไม่เกิดขึ้นมันเพิ่งเกิดขึ้นแสดงว่ามันเกิดขึ้นชั่วคราวสุดท้ายมันก็ต้องดับไปเวทนาเนี่ยถ้ามันเจ็บเดี๋ยวเราป่วยไข้อย่างเนี้ย มันเจ็บมันปวดขึ้นมาอย่างนี้ถ้าคนที่ไม่ได้ฝึกจิตนะโอ้จะกลัวเจ็บกลัวปวดอยากให้เจ็บปวดหายแล้วก็ปรุงแต่งต่อไปอโอ้ยถ้าเราเจ็บมันไม่หายนี่เราจะเป็นยังไงนะมันจะไม่ต้องทรมานไปตลอดชีวิตหรือถ้าเราตายไปอย่างนี้ลูกเราสามีเราทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองของเราจะเป็นของใครใครจะมาเอาไปอะไรเงี้ยมันก็จะกังวลขึ้นมาเพราะมันไม่มีความแยบคายมันไม่ได้ทําความเข้าใจให้ลึกซึ้ง แต่ถ้าจิตของเรามันมีสติมีสมาธิเข้ามาแล้วก็มามองดูมองดูทำความเข้าใจไปด้วยความเข้าใจแบบนี้มันเป็นความเข้าใจที่มันลึกซึ้งอ่ะเพราะมันมีสติมีสมาธิรองรับอยู่จิตของเรามันยอมรับเอาธรรมะเข้าไปแล้วมันก็รู้สึกตระหนักรู้ขึ้นมารู้ลึกซึ้งว่าโอ้มันจริงมันจริงถ้ามันจิตมันยอมรับว่ามันจริงแสดงว่ามันเข้าไปหาจิตแล้วจิตเริ่มรับรู้แล้วว่าเออมันไม่ใช่ของเราจริง ถ้ามองในแง่ของขันห้าก็รูประขันแล้วก็เวทนาขันนะเวทนาทางกายก็มีสุขมีทุกข์เจ็บปวดมึนชาพวกนี้เรียก ว, ว่าทุกขวเวทนาหรือบางทีมันโล่งโปร่งเบาสบายกินข้าวอิ่มใหม่ๆ ม, มันกําลังสบายอย่างเงี้ยก็เรียกว่าสุ ข, ขวเวทนามันก็มีสุขมีทุกข์แต่ว่าเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่จิตไอตัวจิตมันต้องแค่รู้แค่รู้ว่าเป็นเรื่องร่างกายเวทนาก็เวทนาของกาย ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้นะมันก็จะเราสุขเราทุกข์เราเจ็บเราปวดเราเป็นนั่นเราเป็นนี่เนี่ยเราไปเอามาหมดเลยนี่เขาจึงเรียกว่าไปโมเมเอาไปหลงยึดถือเอาจริงๆมันไม่ใช่เป็นเรื่องของร่างกายมันไม่ใช่เรื่องของจิตไอจิตนี่ไปโมเมเอาว่าเป็นเราไปหมดเลยเป็นของเราเป็นตัวเราเป็นนั่นเป็นนี่นี่การที่เรา จะสอนจิตให้ลึกซึ้งให้เข้าใจเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาสติควบคุมจิตแล้วก็ให้จิตเนี่ยกลับเข้ามามองดูตัวมันเองมองดูขันห้ามองดูกายมองดูใจมองดูรูปประขันเวทนาขันจากนั้นก็ดูจิตไอ้ตัวจิตเนี่ยมันเป็นนมามธรรมมันก็จะมีสัญญาอยู่ในนั้นมีเวทนาอยู่ในนั้นมีสังขารอยู่ในนั้นและก็มีวิญญาณ ที่มันรู้อารมณ์อะไรอะไรมันก็มาเกิดร่วมกับจิตนะเพราะฉะนั้นตัวจิตมันเคยไปรู้อารมณ์มันก็เป็นตัววิญญาณที่ตัวที่ทําหน้าที่รู้อารมณ์คือเรียกว่าวิญญาณรู้อารมณ์นะมันก็จะดับด้วยนะมันดับมันดับแล้วมันจึงจะดูรู้เกิดใหม่อีกดับแล้วก็เกิดใหม่อีกดับแล้วก็เกิดใหม่อีกเพราะฉะนั้นมันมันจริงๆแล้วทํามันลึกซึ้งแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้ตอนนี้มันยังไม่เห็นว่ามันเกิดดับก็ไม่เป็นไรอะเราก็ทําความเข้าใจไปก่อน เพราะเวทนามันก็ดูให้รู้ว่าเอ้ยตัวจิตนี่เป็นอ้นหนึง่งเวทนาเป็นด้นหนึง่งนี่เราว่าดูหยาบหยาบจากนั้นมันก็จะค่อยลึกซึ้งเข้าไปลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆจากนั้นเวทนามันก็เหมือนลอยอยู่เหมือนเป็นจิตก็เป็นผู้รู้ไปเวทนาก็ถูกรู้ไปอย่างเงี้ยจากนั้นมันจะเข้าใจว่ามันไม่ใช่เราเนี่ยมันก็สลัดไปบางไปปล่อยไปทิ้งไปจิตก็เป็นอิสระจากเวทนา เป็นอิสระจากเวทนาก็เป็นอิสระจากร่างกายจิตมันจะเบานี่เราตามดูจิตตามดูจิตหรือตามดูว่ามันเป็นสัญญาขันมันมีหน้าที่จำได้หมายรู้ไอ้ตัวสัญญานี่ทุกคนจะต้องมีแต่มันก็มีเพราะมันประกอบกันเป็นขันห้านั่นเองเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งมันไม่ใช่เราหรอกแต่ว่ามันเป็นของมันเองเนี่ยสัญญาขันก็มีเวทนาขันในจิต เพรว่ามันสัญญามันนึกอะไรขึ้นมาปั๊บนึกเรื่องราวอะไรขึ้นมาปั๊บมันจะรู้สึกแ ป, ป๊บก็มีเช่นนึกถึงว่าเขาด่าเราอย่างปปปปเงี้ยแป๊บแป๊บนี่นนี่คือตัวเวทนาแล้วอ่ารู้สึกระคายเคืองรู้สึกไม่สบายขึ้นมาจากนั้นสังขารก็จะทําหน้าที่แล้วมันว่าเรามันว่าอยา่างนี้อยา่างนี้อย่างนี้มีสังขารก็จะปรุงต่อรับรับเรื่องต่อไปตัววิ ญ, ญญาณก็มารับรู้อันนี้รับรู้แล้วสัญญาก็จดจำใ ห, ใหม่ๆอีกบางทีมันคิดปรุงแต่งเพิ่มเติม เสริมเข้าไปอีกตัวสัญญากับรับเอาไว้นี่สงสัยมันจะไปพูดกับคนนั้นคนนี้นั้นเนี่ยที่มันว่าเราเนี่ยคนนั้นคนนี้ก็ต้องรู้แน่นอนเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะไปถามคนนี้ให้รู้ว่าไอคนนั้นมันเอาเรื่องของเราเรื่องมันไปพูดว่ายังไงนี่คือปุ้งแต่งขึ้นมาหมดในจิตเราเนี่ยอันนี้พวกสังขารมันทํางานในขณะที่สังขารทํางานก็นจะมีเวทนาขึ้นมาด้วยคิดว่าเออเขาไปบอกคนนั้นคนนั้นก็ต้องรู้สิคนนั้นก็ต้องคิดว่าเราไม่ดีแน่นอนเจ็บปวดอีกแล้ว พลมานขึ้นมาอีกแล้วเป็นทุน reaming, นททกข์ขึ้นมาอีกแล้วนี่แหละคือความคิดของเราเนี่ยมันปรุงแต่งปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันก็สร้างเวทนาขึ้นมาสร้างเวทนาขึ้นมาเป็นทุกข์อยู่ในนั้นมันก็ไม่สบายอยู่ในนั้นและสัญญาก็มาเก็บไว้อีกแล้วในจิตของเรามันก็เลยมีเรื่องเยอะมากมายเลยนะเต็มที่เลยเต็มอยู่ในหัวใจเราเพราะสัญญามันเก็บเอาไว้สัญญาเก็บเอาไว้แล้วมันคอยนึกขึ้นมา แล้วมันก็จะมีเวทนาขึ้นมามีเวทนาขึ้นมาแล้วสังขารเนี่ยปรุงแต่งไปแล้วสัญญาก็ไปรู้พวกนี้อีกแล้วสัญญาก็เก็บไว้อีกนี่คือการทํางานของขันห้าเพราะฉะนั้นการที่เราไปยึดขันห้าว่าเป็นเราเนี่เรียกว่าอุปทานานีอุปทานอุปทานในขันทั้งห้าคือตัวทุกข์แต่ถ้าเรามีสติรู้รู้ว่าพวกนี้เกิดและดับผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปมันจะปล่อยที่นี่รู้แบบปล่อยรู้แบบวาง แล้วแล้วไปแล้วแล้วไปแล้วแล้วไปนานเข้านานเข้าจิตมันก็จะตัดสินลงไปไม่ใช่เราเด็ดขาดเลยเนี่ยมันวางเลยเนี่ยสลัดออกไปเลยแต่มันวางครั้งที่หนึ่งเนี่ยวางขันห้าได้ครั้งที่หนึ่งไม่ว่าจะวางอะไรได้ทะลุถึงกันเขาก็เลียวพระโสดาบัน <c oughs> จากนั้นปฏิบัติไปอีกดูขันห้าดูอะไรต่ อ, อรายกายใจนี่แหละด้วยไปแล้วมันสลัดครั้งที่สองเต็มที่ของมันอีกพระสกทาคามี นีนี้อารม์ก็จะละเอียดเข้าไปพอเริ่มมาสกขะคามีอนาคามีมันก็จะเริ่มเพี้ยรนาละข้างนอกข้างในเอาข้างนอกเอาอาหารการกินมาเพื่ออะไรเออนี่มันเพื่อร่างกายนินาะไอจิตไปยุ่งกับเขาทําไมมันจะเริ่มเห็นจิตละสอนจิตละไม่ให้ไปยุ่งให้อยู่เฉยเฉยเราสมควรจะทํำยังไงก็ทําแต่จิตเราต้องนิ่งต้องหยุดต้องเฉยเฉยได้ต้องอุบเบกขาได้นี่มันก็เริ่มมาฝึกจิตละมันก็เข้ามาหาจิตละมันจะขยับไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย จากนั้นพรวางกายวางเวทนาวางอารมณ์ข้างนอกหมดแล้วคราวนี้มันเหลือแต่จิตเป็นเรื่องของจิตล้วนๆเลยนี่ภูมิของพระอนาคามีบางใครตามดูจิตอยู่พรอรู้สึกหนักๆก็จะไปดูจิตแล้วก็ดับไปพอหนักๆก็ดูอีกมันก็ดับไ ป, บไปแล้วไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าภูมิจิตของพระอนาคามีปฏิบัติเพื่อเป็นพ่อหลานแต่ถ้าใหม่ๆอยู่นี่มันก็กายเวทนาแล้วก็จิต ครบถ้วนเลยเนี่ยเรียกว่าตามดูสติปัฏฐานทั้งสนี่แหละจะมองในแง่สติปัฏฐานทั้งสี่ก็ได้ตามดูกายกายนี่ก็โอ้มันอยู่ได้เพราะอาหารจริงๆเลยนะเนี่ยวันหนึ่งทำไม่รับประทานอาหารก็ตายแน่นอนเลยเนี่ยเออเอาพอมันมีชีวิตยอยู่ได้เพราะว่ามันต้องตายวันใดวันหนึ่งมันก็ต้องตายทีนี้ถ้าร่างกายเรามันมีเจ็บมีป่วยมีไข้ก็เอามาสอนจิตเสียว่าเห็นไหมเนี่ยร่างกายมีกายก็ต้องเป็นอย่างนี้ละ่ะ มันต้องมีเจ็บมีป่วยมีไข้เป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าก็สอนเอาไว้แล้วแต่ว่าจิตเราเนี่ยมันยังไม่ลึกซึ้งมันก็ลืมไปพอเราเจ็บป่วยไข้ก็เป็นทุกข์ขึ้นมายิางีแต่จะหายมีแต่จะหา ย, หายพอป่วยหนักๆจะหายไหมเวลาไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยเขาก็มาถามว่าแล้วจะหายไหมจะไปบอกว่าเ ด, ดเาาเี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองอหายหายเนี่ยมันก็ดีขึ้นเองมันก็ไม่แน่เพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปตัดสิรู้เอาได้นี่จะไปบอกว่าไม่หายก็ไม่ได้อีกไง โดยธรรมะมันก็ต้องบอกสอนใจเขาหายก็เอาไม่หายก็เอาน ะ, ะแล้วแต่หมอสีน้าเราก็ต้องไปรักษาพาไปรักษาเยียวยาเอาแต่ว่าต้องมาทำใจตัวเองรักษาใจตัวเองให้มันได้ถ้าใครรักษาใจได้ทุกก็จะน้อยลงไปอันนี้ก็คืออุบายที่จะมาสอนจิตเราสอนจิตเราไม่ให้มันไปยึดร่างกายมากหรือยึดจิตยึดอารมณ์ทั้งหลายที่มันผ่านเข้ามาเนี่ยสมัยก่อนนี่ยตอนบวชใหม่ ก็ไปที่โรงพยาบาลศิริราชมันมีห้องซึ่งเขามีศพเต็มไปหมดเลยนะเขาเอาไว้ให้นักศึกษาแพทย์ศึกษาหรือไงก็ไม่รู้เพราะนั้นแต่ละศพแต่ละศพนี่มีตายใหม่ๆก็มีลอกหนังออกไปเฉยเฉยก็มีมีแต่เนื้อแดงๆงอยู่ก็มีอแล้วก็เอาเนื้อออกก็เหลือแต่เอ็นลึงรัดกระดูกอยู่ก็มีเป็นผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีเราก็ไปยืนดูแต่ก่อนที่จะเข้าไปในห้องเนี้ย มันก็จะมีเขาจะเอาตับตับของสัตว์ทั้งหลายนี่มีตับเป็ดตับหมูตับวัวตับควายอะไรไปตึบๆสุดท้ายเป็นตับคนแค่เราดูแค่นี้นะไปถึงพอไปถึงตับตับตับไปถึงคนมันคนมันหายไปไปดูเป็นแค่มันเป็นตับรู้สึกเลยว่าโอ้ยคำว่าคนนี่กันหนักตอนนั้นนะ มันรู้สึกขึ้นมาได้ว่าโอ้แค่เป็นคนเราไปยึดคําว่าเราเป็นคนนี่ก็หนักแล้วที่จริงมันก็สักแต่ว่าสิ่งชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองก็เลยเบาเลยพอไปดูพวกนี้ก็ดูเฉยเฉยดูเฉยไปมันก็จดจําเอาได้ว่าเอมันไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะร่างกายเนี่ยพราะนั้นเวลามันส ก, กรปรกขึ้นมาเวลาเราไม่ได้สระผมกลิ่นมันออกมาอย่างเงี้ยก็นึกถึงพวกศักศรอะไรพวกนั้นโอ้มันไม่ได้มีอะไรเลย ไม่ถึงกับไปเพ่งไปเล็งอะไรมันมันเข้าใจมันก็วางเฉยกับร่างกายนี่แหละธรรมชาติของร่างกายมันก็เป็นภาระถ้าจิตของพระละหันเนี่ยท่านวางกายได้สนิทเลยนะทีนี้พอร่างกายเป็นอะไรปั๊บมันหิวขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้สึกขึ้นมาเลยว่าโอ้เป็นภาระจริงๆนั้นมีร่างกายเนี่ยหรือมันเจ็บไข้ได้ป่วยมานี่ก็โอ้ร่างกายเนี่ยมันเป็นภาระจริงๆมีกายใน ล, ลาบากเหลือเกิน เดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็ง่วงเดี๋ยวก็เหนื่อยรับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆก็อืดอัดอะไรๆก็เป็นทุกข์ไปหมดเดี๋ยวปวดอุจจาระ ป, ดปดวดประสาทจิตของท่านดูตลอดเวลานี่มันจึงไม่อยากต่อมาเกิดอีกท่านถึงรอเวลาที่จะให้ธาตุขันมันแตกดับสลายไปเพราะฉะนั้นพระอหันต์ท่านยังไม่กลัวาตายเด็ดขาดเลยเพราะนั้นเวลาจะตายนิด พคนครูบาอาจารย์ท่านสั่งลูกศิษย์ลูกหาว่าอย่าไปเอาสายอะไรมาช่วยละโยงละยางไม่เอาท่านต้องการที่จะตายไปตามธรรมชาติไม่ต้องไปอะไรมันไว้แต่ลูกศิษย์กอ็อย่าให้ครูบาอาจารย์อยู่นานๆอันนี้เพราะท่านเข้าใจจิตของท่านปล่อยวางเห็นร่างกายอันนี้เป็นภาระเป็นของที่มันใช้ชั่วคราวเมื่อหมดอายุขัยแล้วมันต้องทิ้งไปท่านปล่อยได้วางได้แต่ลูกศิษย์เนี่ย ก็อยากจะให้อาจารย์อยู่นานๆท่านก็ทรมานเนี่ยเจ็บป่วยไขย้ทรมานมันก็บิดพันุทําให้ถึงเวลามันก็ไม่ตายอีกแหละแต่ไม่จําเป็นจะไปช่วยมันปล่อยมันเลยแต่ถ้าคนทั่วไปหนิยกลัวจะพัดภาคจากลูกจากหลานจากครอบครัวอยากจะอยู่นานๆนีบางทีนอนในห้องเซ ย, ยูไม่รู้เรื่องแล้วก็เอาไว้เอาสายอะไรละยงละยางเอาไว้เปืองเงินก็เปลือง แถมยังเป็นนอนเฝ้าไปนั่งเฝ้าเหน็ดเหนื่อยอีกเสียการเสียงานอีกเคยเขาเคยนิมนต์ไปเยี่ยมคนที่เขาอยู่ในห้องห้องแบบเนี้ยดูแลเขาบอกว่าพ่อของเขาอะเขาอยากให้อยู่นานๆเขามีเงินโอ้ไปเฝ้ากันเป็นเดือนเดือนเป็นปีเลยนะแต่สุดท้ายก็ตายตายเหมือนกันแต่ก็ดีเหมือนกันล่ะเวลาเราไปนี่เขาจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้พ่อเขาหลับไปตื่นขึ้นมานี่ หน้าตาพ่อห่องใสพ่อก็พูดได้บ้างเล็กน้อยบอกว่าเนี่ยวันนี้มีคนพาไปกราบพระธาตุนนีีนั่นอะไรที่เขาเคยไปบางวันนยตื่นขึ้นมาแล้วใจไม่สบายใจคอไม่ดีเพราะอะไรเพราะเห็นคนเขากำลังจับคนผู้ชายคนหนึ่งโยนลงไปในหม้อน้ำเดือดเดือดเนี่เขาก็จะไปเห็นพวกเนี้ยแล้วก็จิตมันไม่อยู่เฉยเฉยนี่มันปรุงแต่งไป อันนี้น่หละเรื่องจิตมันสำคัญจำเป็นจะต้องมาสอนจิตแล้วสอนจิตนี้ในขณะที่จิตเป็นสมาธิเนี่ยมันฟังทำก็จะเข้าใจยิ่งถ้าเราจิตมามองดูขันห้าแล้วก็ฟังแล้วก็สังเกตดูไปด้วยแล้วจิตของเราถ้ามันเข้าใจเนี่ยมันจะคลายออกมันจะลึกซึ้งมันจะรู้สึกได้รู้ซึ้งได้ว่าเออแท้จริงแล้วมันไม่ใช่ของเรามันเป็นเราชั่วคราวเฉยเฉยมันเป็นเพียงแค่ขันห้า ขันห้าเนี่ยยิ่งถ้าจิตเรามีสมาธิมันจะเห็นว่ากายก็อยู่ข้องมันไปทีนี้จิตมันคิดอะไรขึ้นมาก็เห็นว่ามันคิดความคิดก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปก็เห็นการทำงานของขันห้าเพราะนั้นอุปทานในขันห้านี่ก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปเพราะนั้นถ้าใครอยากจะเป็นพระโสดบาบันก็คือฝึกอย่างนี้ฝึกทำไปเพราะนั้นธรรมดาก็ยังทาไม่ได้ก็จเจริญสติมากๆขึ้นมาก่อนคุมจิตให้ได้ก่อน คุมจิตแล้วก็เอาจิตเข้ามาอยู่กับตัวเองพยายามอยู่กับเองแล้วมาสังเกตียบบทต่างๆสังเกตการเคลื่อนไหวจากนั้นพอมันมีกําลังสมาธิมีกําลังขึ้นมาแล้วก็จะเห็นจิตด้วยเห็นกายเวทนาจิตธรรมแล้วมีโอกาสเมื่อมันพร้อมเมื่อไหร่ก็เอามาสอนเอามามองดูแล้วก็สอนจิตใจให้มันเข้าใจให้มันคลายออกให้มันปล่อยให้มันวางถ้าใครทําได้รับรองเลยเป็นทางไปเป็นความเป็นพริยาเจ้าเป็นพริยาบุคคล แต่ทุกคนนะควรจะได้ฝึกได้ทำฝึกหัดฝึกรรมมีคนหนึ่งนะเขาพุโทโธพุโทโธมาสี่ปีแล้วเขาว่ามันก็ลอยลอลอยลอ ย, ลอยเพราะเขาไม่โฟกัสเข้ามาไม่ปักเข้ามาแบบพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธอยู่เนี้ยพอพุโทโธมันเริ่มนิ่งมันก็ลอยๆไปเขาก็มาหามาหาบอกผมเนี่พุโทโธมานตั้งสี่ปีแล้วมันใจมันก็ยังลอยมันไม่ได้ผลบอกเอาใหม่เลย ข่าวนี้ไม่ต้องพูดโททแล้วเอาจิตเข้ามามองดูตัวเองคุณเชื่อไหมว่าถ้าคุณตายลงไปสุดท้ายร่างกายนี้กลายเป็นดินเชื่อครับถ้าเชื่อสอนจิตให้เชื่อสอนจิตเตียงให้เชื่อตอนนี้เราเชื่อแต่จิตมันไม่ยอมเชื่อบอกคืนนี้เอาอย่างนี้ให้ปักเข้ามาที่กายแล้วบอกจิตให้รู้ว่านี่คือธาตุดินสุดท้ายมันต้องกลายเป็นดินเอาเจนให้จิตมันเชื่อให้ได้เขาไปเลยคืนนั้นเขาบอกว่าโอ้จิตก็ไม่ไปไหนเลยมันปักเข้ามาดิน ดินดินย้ำดินดินดินมันไม่เชื่อเราสอนจนมันเชื่อดินดินมันก็อยู่อยู่อยู่กับตัวเองเขาก็เลยได้สมาธิขึ้นมาได้สมาธิแล้วก็ได้ปัญญาด้วยมันเห็นร่างกายตัวเองว่ามันคนละอันกับจิตจิตก็เป็นอันหนึ่งกายเป็นหนึ่งจิตก็กําลังมองดูร่างกายอยู่กําลังสอนจิตให้รู้ว่าร่างกายอันนี้สุดท้ายต้องกลายเป็นดินคือต้องเอาความจริงมาสอนด้วยถ้าจิตมันเชื่อมันจะคลายออกเบาสบาย แล้วมันจะวางเวลาอะไรมากระทบมันก็เบาลงไปด้วยพอปล่อยมันวางได้เอาต่อไปนี้จะให้ปฏิบัตินะตามลาพังนะก็จะไม่อะไรละทีนี้ใครพอดียังไงก็ทำนะทำสบายๆดีกว่าลองสบายๆเราทดลองดูแล้วคราวนี้ลองทำตามอัธยาศัยเลยนะลองทำเลยพอดียังไงก็ทาพอดียังไงก็ทา ทำสบายๆสบายๆไม่ต้องกังวลว่าเออเราทำแล้วมันไม่ได้ทำไมมันยังไม่ได้นี่คือเหตุมันไม่พอเหตุปัจจัยยังไม่ถึงเวลาของเราเราก็ทำว่าเออมันพอดีอยังไงก็ทำทำสบายๆก็แล้วกันเน้นจิตที่ไม่ยินดีไม่ยิน้ายจิตปกติคาว่าสบายๆในที่นี้อาจจะจิตเป็นอุเบกขาก็ได้จิตนิ่งก็ได้จิตเฉยๆก็ได้ แต่ว่าให้รู้ตัวกันแล้วกันรู้ว่าจิตเราเป็นยังไงกายเราอยู่ยังไงมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราบ้างทำความรู้ทำความเข้าใจไปเน้นจิตจิตสบายๆ ส, สมควรทำยังไงก็ทามันพอดีของเรานั่นแหละมันพอดีของเรานั่นก็คือว่าเราควรทำยังไงเราก็ทำไปพอใจสร้างเหตุอันนี้เราไม่ทิ้งอะ่ะ ส่วนสภาวธรรมหรือผลของการปฏิบัติแล้วแต่เราไม่เน้นไม่เน้นที่ผลแต่เน้นที่เหตุพอใจสร้างเหตุหรือพอใจปฏิบัติธรรมเอาเตรียมตัวนะเตรียมตัวก่อนที่เราจะเลิกก็คือเอาจิตเรากลับเข้ามามองดูข้างในเอามาสัมผัสรู้อยู่ที่ขั น, น่าอยู่ที่กาย ร, รูปขัน้น อยู่ทิศตามดูร่างกายรู้สึกว่านั่งอยู่หรือว่ารู้อยู่ที่ลมเนี่ยพวกนี้ร่างกายทั้งนั้นหรือว่ามันเจ็บมันปวดเนี่ยเดี๋ยว่าดูเวทนาเวทนาขันหรือว่าตามดูจิตเช่นมันรู้สึกยังไงมีเวทนาในจิตใจเรามีไหมความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งเป็นยังไงบ้างคือเราต้องการให้จิตเราเห็นเห็นขันห่าว่ามันทํางาน มันหมุนไปยังไงมันเกิดขึ้นดับไปยังไงเพื่อให้มันคลายออกเพื่อให้มันดูเฉยเฉยดูเฉยฝูกจิต ด, ดูเฉยอะไรเกิดแล้วให้มันเห็นว่าเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับปล่อยวางไปปล่อยวางไปเรียกว่าตามดูขันห้าถ้าใครตามดูได้บ่อยๆนานเข้านานเข้ามันจะรู้สึกว่าขันห้าไม่ใช่เราเลยมีจิงจะถอนอุปท า, านได้ละวางอุปท า, านได้ เอาสุดท้ายละบูชาพระพุทธเจ้านะวางร่างกายให้ร่างกายจิตใจเราเป็นเครื่องสักการะบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์บูชาเอาเราเป็นเครื่องบูชาเอาชีวิตจิตใจของเราเอาเลือดเนื้อวิญญาณเราทั้งหมดเลยถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาบูชาสูงสุดอาจากนั้นก็ขออโหสิกรรมนะ โอโหสีกรรมโอโหสีโอ้โห ส, สีไปเลยนะไม่ต้องอะไรมากแล้วโอ้โหสีโอโหสียิ่งนึกถึงอะไรที่มันมีความขัดแย้งคนนั้นคนนี้โอ้โหสีโอ้โหสีอันนี้จิตเราก็จะได้มันไปคิดเรื่องราวเหล่านั้นให้มันวางให้มันคลายออกเอาแล้ววันนี้ก็พอแค่นี้นะ